รายการจิตวิทยาดีๆที่ทช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์ค่ะตีสี่ครึ่งถึงตีห้านะคะดําเนินรายการโดยดิฉันธีรวรีย์ยิ่งมีค่ะแล้วก็ลุงยุ้ยค่ะผู้ช่วยศาสตราจรารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์ประจําภาคิจิตวิทย า, าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะลุงยุ้ยสวัสดีครับท่องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมเรามาเจอกันแน่นอนเราจะมีจิตวิทยาดีๆมาพูดคุยใั้คุณผู้ฟ การรู้ฟังได้ง่าคิดนะครับหลายๆครั้งค่ะที่เราจะมักจะพูดถึงความรักการเคารพตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขดําเนินชีวิตอยู่กับคนอื่นได้นะคะบางทีเรารักทุกคนเลยค่ะลุงแต่ว่าบางทีเราก็ลืมรักตัวเองลืมรักตัวเองเออซึ่งจริงจมันควรจะรักเป็นอันดับแรกเนาะแล้วรักตัวเองเนี่ยรักให้เป็นเนี่ยต้องรักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะครับเขานี้จะรักตัวเองเข้าใจตัวเองรักตัวเองให้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะได้ครับ ลุงย้ยค่ะคนรักตัวเองเนี่ยเราจะถ้าเรารักตัวเองเป็นเราจะสามารถรักคนอื่นเป็นไหมคะอันนี้ลุงมั่นใจว่ารักเป็นนะครับคือมันเริ่มจากว่าเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนพอความรักของเรามันมีมากพอจนเหลือเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ไปที่คนอื่นได้นะครับซึ่งโดยเฉพาะคนที่เขาอาจจะอ่อนได้กว่าเราหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตร เพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยนะครับซึ่ง <คะ S 2> เราสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปได้นะครับเราสังเกตได้ไหมคะว่าคนรักตัวเองจะเป็นยังไงคนรักตัวเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวเองเนา ะ, <ค>ะมั่นใจในตัวเองไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ตามกระแสมากมายหรือเอาง่ายๆเช่นเวลาเพื่อนชวนไปกินข้าวที่ไหนก็ก็ไป่ <คะ S 2> ไปกินข้าวอย่างพอว่าครับไปกินเหล้าอ ก็ไม่ได้อยากไปอไม่ได้อยากไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เนื่องจากเป็นเพื่อนก็เลยไปไปเคยกินเหล้าด้วยทั้งที่ตัวเองก็กินเหล้าก็ไม่เก่งค่ะคือคนที่เรารักตัวเองเนี่ยบางทีเราจะชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นเราไม่อยากกินส้มตํำเขาชวนเราไปกินส้มตำเราไม่ไปไม่ไปก็ถือว่าเรารู้ว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรใช่ไหมใช่มันได้สองทางนะคือหนึ่งไปแต่ไม่กินอกับสองขอบอกเขาตรงๆงเลยบอกว่าเราเราไม่ชอบจริงๆ แล้วขอไม่ไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วคนที่เขาเห็นแก่ตัวลุงบางคนเขา <อ S 1> จะบอกว่าฉันรักตัวเองแต่ว่าฉันเห็นแก่ตัวอันนี้ก็ทำเผื่อตัวเองอันนั้นก็ทำเผื่อตัวเองอันนี้ก็อยากได้เพื่อตัวเองอย่างเงี้ยค่ะลุงมันแตกต่างกันไหมคะความเห็นแก่ตัวกับการรักตัวเองต่างกันครับต่างกันเลยเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับผลของมันคือมีผลทําให้คนรอบข้างเนี่ย มีปัญหาหรือว่ามีมีมีเอฟเฟก์ที่จะตามมาแต่ถ้าบอกว่ารักตัวเองจริงๆเนี่ยนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับใครนะครับเพราะนั้นอันนี้คือคือผลที่จะตามมานะครับแต่ว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่าทุกคนน่ะมันก็เห็นแก่ตัวนั้นในบางเรื่องนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีการแบ่งปันมีการรอคอยมีการรู้สึกว่า เธอก่อนก็ได้นะคะฉันหิวลุงฉันหิวอย่างเงี้ยฉันอยากก่อนใช่ฉันหิวเหมือนมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอย่างเงี้ยค่ะฉันหิวฉันจะแซงคิวฉันอยากกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่เหรอก็เห็นแก่ตัวครับอันนี้ถือว่าเห็นแก่ตัวแม้ว่าจะเป็นการรักตัวเองแต่มันการรักตัวเองที่ค่อนข้างที่จะผิดผิดประเพณีของสังคมเราด้วยนะครับอืมค่ะคนที่พอใจกับตัวเองพอใจกับตัวเองเอเขาเรียกอะไรอ่ะเอพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุงถือว่าเป็นคนรักตัวเองไหมคะก็ ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคําว่าพอเพียงในที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเราพอเพียงด้วยด้วยสิ่งที่เราจํากัดเช่นคือว่าเราเงินเดือนเดือนละสักหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วเราใช้จํากัดในตรงเนี้แล้วเราก็บอกว่าพอเพียงแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยบางทีบางที่อาจจะเดินอ้าใช้งมันไปเดินไปเจอไปเจออะไรและอยากได้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับแต่ตัวเองสามารถตัดใจได้อันนี้เรียกว่าพอเพียงจริง ค, คือต่อให้เรามีเงินเรามีเงินที่เราจะสามารถซื้อได้ใช่ไหมลุงแต่เราไม่ซื้อใช่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่าเอ๊ะแค่นี้ก็พอแลอ้วถูกต้องครับอันนี้ถังจะพอเพีย ง, ยงใช่ไหมครั บ, รบแล้วก็เขารักตัวเองไหมคะลุงถ้าพอใจพอเพียงก็ถือว่าเป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าอะไรที่ฟุ่มเฟือยก็ไม่ต้องใช้ <passer S 2> นะครับลุงยุ้ยคิดว่าเพราะอะไรคนเราทั่วไปถึงต้องรักตัวเองคะ พื้ฐานเราต้องพื้นฐาน<า>เลยนะครับ ค, คือเรามักจะเรียกร้องให้คนอื่นรักเรามักจะเรียกร้องให้คนอื่นมาแสดงความรักให้เราแต่จริงแล้วเนี่ยเราลืมนึกไปว่าไอ้การที่คนอื่นจะมารักเราได้เนี่ยคุณต้องรักตัวเองเป็นก่อน ค, คุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นใครยังไงนะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับไม่มีใครเขารู้จักตัวเรา ดีเท่าตัวเราก่อนเพราะนั้นอันนี้ถ้าเรารักตัวเองเป็นก่อนปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามองคนอื่นดีงามสวยงามได้นะครับค่ะบุคลิกภาพคลุงบางคนเห็นผู้ชายก็ดูดีเชียหัวจดเท้าผู <c oughs> ้หญิงก็สวยาคารุงดูแลตัวเองสะอาดสะอา้านพูจ่าเพราะ <c oughs> พวกนี้คือคนที่รักตัวเองไหมคะเหมือนว่าเขาอยากจะให้คนอื่นมองเรามาในภาพรักที่มันดี ส่วนหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในส่วนของคําว่า บ, บุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นสื่อที่คนภายนอกมองปั๊บแล้ววิพากษ์ถูกไหมครับวิาพากษ์เลยทบางที่แต่งตัวมาดีเหมาะสมกับการทํางานนะครับในในในสถานที่ทํางานแต่งตัวแบบนี้เหมาะสมแล้วแต่ขนาดเดียวกันสถานแต่งตัวแบบเนี้ยถ้าไปในอีกสถานที่หนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งที่เราจะต้องเร า, ต, เราต้องดูว่า ความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนนะครับค่ะ <C> e <an> เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของการรักตัวเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงเบรกที่สองเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันว่าการรักตัวเองให้เป็นเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะคะลุงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University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 ตาใช่ไหมวันที่เสียใจเธอก็ยังฟังจำต้องอีกนานเท่าไหร่เธอจะหายเจ็บช่ำเธอช่ำฉันช่ำยิ่งกว่าเธออย่าไปแค่งคืนคนที่ใจร้ายร้ายโลกยัง รารดีต้องมีให้เจอลืมเธอลืมเสียทีคนที่ทำกับเธอวงเธอที่เธอเป็นแบบนี้ที่ผ่านมานันน้ำตา่น่นมันทำเธอหนัก จิตวิทยากับครูยุ้ยมาถึงในช่วงเบรกที่2นะคะก็ต้อนรับคุณดูฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะถ้่เพิ่งเปิดมาเจอกับเราสองคนนะคะเราพูดถึงในเรื่องของการรักตัวเองนะคะก็ยังอยู่กับดิฉันทีรวรดีแล้วก็ดุงยุ้ยนะคะครับผมรักตัวเองให้เป็นคะ่ะลุงทำอย่างไรบ้างคะคือคําว่ารักตัวเองให้เป็นอย่างที่บอกนะครับอันที่1เลยเนี่ยนะครับเราน่าจะพอใจในชีวิตของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก นะครเพราะว่าไอการที่เรารู้จักพอใจพึงพอใจหรือว่าพอเพียงอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทาให้เรารู้จักว่าชีวิตเราจะดําเนินไปยังไงนะครับเพราะนั้นอันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณมีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่น่าพอใจพอใจอย่างเดียวไม่พออยากให้ชมด้วยชมตัวเองในสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องของความพึงพอใจเป็นอันดับแรก ถ้าพอใจเราก็จะรักตัวเองเราก็จะดีขึ้นถูกไหมครับคือเราไม่เดือดร้อนด้วยแหละลุงใช่พอใจกับสิ่งนี้เราเห็นอ่ะเป็นผู้หญิงเอาใจคุณผฟัง อ, อ, อย่างอย่างทีบาทีที่ก็เห็นเข า, ขาสะพายกระเป๋ายี่ห้องนั้นนี่ที่ก็อยากได้อ่าอยากได้อแต่ว่า ใบนี้เราก็ยังใช้ได้เลยใบนี้ก็ยังไม่เก่าเลยจะภายนี่แหละดีแล้วเราก็พอใจกับสิ่งที่เราอันนี้คือเราทั้งพอใจแล้วก็พอเพียงอย่างที่บอกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือเป็นการรักตัวเองรักเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือว่าบางทีอาจจะมีส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ใช้สํารองยามที่เราฉุกเฉินครับผมค่ะมีอีกไหมคะลุงข้อที่2เนี่ยนะครับเราบางทีเนี่ยเราก็อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอเหมือนกันเนาะบางทีเราก็รู้สึกว่า เสียอกเสียใจน้อยใจเป็นเพราะเราเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้ค่ะนะครับแต่ไม่ใช่ล้มแล้วฟุบลงไปเลยเหมือนบางคนฉันต้องเข้มแข็งฉันไม่ร้องไห้นั่นแหละ <c oughs> จริงๆร้องไหมเหรอร้องได้ครับไอ้การที่คนเข้มแข็ง <c oughs> เข้มแข็งมันก็ดีแต่จริงๆแล้วสภาพจิตใจของคุณนะมันจะไปมีผลภายหลังว่าคุณจะเกิดความรู้สึกกดดันคุณจะไปออกกับคนอื่นที่คุณพอจะออกได้ไง <c oughs> แล้วมันจะกลายเป็นว่าเอาจยางลูกสามีหรืออะไรก็แล้วแต่คะนะครับคือบางคนเนี่ยเขาไม่อยากร้องไห้เข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นแต่จริงๆการเป็นคนเก็บกดนะคะถูกต้องเลยครับเก็บนนกฎแสดงออกมีพฤติกรรมรุนแรงเวลาที่อยู่กับอยู่กับตัวเองอยู่<ช>คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอีกไหมคะลุงมีครับอย่างเช่นอย่าอย่าคิดว่า ชีวิตนี้เราต้องสําเร็จอย่างเดียวสําเร็จทุกอย่างอ่าสำเร็จทุกอย่างวันนี้ก็ต้องสําเร็จอันนี้ก็อยากเป็นยากมีอยากได้ต้องสําเร็จหมดทุกอย่างอันนี้เคยเห็นเลยละคนบางคนเนี่ยนะครับตั้งความหวังไว้ทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกนะครับเป็นเป็นมนุษย์ที่90เซขึ้นอะ่ะน ะ, ะที่จะต้องสําเร็จแล้วถามบอกว่าจริงๆแล้วเขาเครียดไหมเคยไปคุยกับเขาเขาก็ <ๆ S 2> บอกผมไม่ได้เครียดครับผมไม่ได้เครียดครับแต่สิ่งที่เขาพูดมาเขาเครียดหมดเลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเรายอมยอมล้มบ้างเรายอมแพ้บ้าง มันมันก็ทำให้ได้อะไรหลายๆอย่างมีมีคนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเวลาลุงดุ้ยคลุกก๋วยเตี๋ยวอ่ะค่ะทำไมจะต้องคลุกนานอืลุงลองคลุกไม่นานดูสิเอาน้ำมันเข้าไปหรออ่ากินคานี้มันอาจจะได้หวานหน่อยอีกคำานึงเค็มมันอีกคำานึงเปรี้ยวแต่ลุงพยายามคลุกให้มันละมุนก่อนอ่ะอืมมันก็เป็นชีวิตอันหนึ่งนะครับที่บอกเราได้ คือถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะรู้ว่าชีวิตเรามันคงไม่มีอะไรสมหวังไปหมดอย่างใช่ไหมคะคลุงใช่ครับอแล้วคนนี้ค่ะลุงถ้าเราพอใจในชีวิตของเราอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราด้อยค่าใช่ไหมคะมสมมุติว่าเอ้ยทําไมเขาเก่งเขาดีเขามีความสามารถรทําไมเรา <laughs> ทําไมเราถึงสู้เขาไม่ได้เราทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ อันนี้ค่ะมันเหมือนว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าบางทีเราก็ทําเต็มที่แล้วนะคะถูกครับและที่สําคัญที่น้องทีพูดตรงนี้คือเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไงถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่ยอมไม่ยอมเลยสักอย่างนึงต้องไปเปรียบเทียบแน่นะครับเรายอมหน่อยเธอยอมที่จะทั้งชมและตําหนิตัวเองให้เป็นซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอีกอันนึงนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราจะรู้จักรักตัวเองเป็น คือถ้าบางทีอย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้เราต้องยอมรับทั้งคําชมและคําตาหนิอย่าไปเอาแต่คําชมชื่นชมคือคนที่ตําหนิเราเนี่ยคนคือคนที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาได้เราพัฒนาได้จากการตําหนิใช่ไหมคะลุงอันสุดท้ายไหมค่ะสุดท้ายอีอันสุดท้ายคือไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองจนเกินไปพวกนี้อีโก้สูงอ่าอีโกสูงมากพวกนี้จะเป็นพวกที่ ค่อกข้างที่จะคิดว่าฉันทําอะไรแล้วจริงๆอ่ะเขาทําถูกอยู่แล้วล่ ะ, ะมันก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มน้ําหนักเพิ่มความมั่นใจว่าฉันทําถูกแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละที่คนอื่นเขาก็คิดเป็นถูกไหมครับถ้าบอกว่าเราเราไปยืดความคิดของตัวเองหมดอาจจะพูดได้ประโยคที่บอกว่าโอเคนะครับทุกคนมีสื่อแสดงความคิดเห็นเชิญเลยครับแต่พอคนบางคนแสดงความคิดเห็นมาแล้วเราแสดงสีหน้ า, มานไม่้อใจอแบบ บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราแสดงออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายบางทีลุงเราต้องรักษาสมดุลเหมือนกันนะะสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ว่าทํางานหนักเลยลุงร่างกายอ่อนแอแต่จิตใจก็ทะเยอทยานอยากจะได้เราก็ใช้ร่างกายอะไรอย่างนี้นมันจะมีความสุขจริงๆริงไมถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับมันต้องมันต้องสมดุลอย่างที่น้องทีว่านะครับจะต้อง มีเวลาว่างเป็นของตัวเองบ้างออกกําลังคายบ้างเข้าฟิตเนส<ะ>หรืออะไรขณะดเดียวกันสภาพจิตใจก็อย่างเช่นคุณอาจจะไปดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันอารมณ์มันสดใสนะครับไม่ใช่ว่าเครียดตลอดอือน ะ, ะก็ต้องดูตัวเองให้สมดุลด้วยนะคะทํางานหนักก็อาจจะหาเวลาพักผ่อนนะคะเวลาไปเที่ยวว่างค่ะเงินมาเยอะก็อาจจะต้องซื้อความสุขให้ตัวเองว่าอันนี้ถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องบางคนรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะคือ รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราทําในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละแต่มันกลับไม่ไปถูกใจคนอื่นลุงเราจะทําอย่างไรคะในเบื้องต้นในเบื้องต้นสําหรับลุงนะสําหรับลุงลุงคิดว่าถ้าเราทําแล้วเราโอเคอ่ะค่ะลุงลุงลุงว่ามันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนคนอื่นมากมายเราทําได้ค่ะแต่ถ้าทําแล้วเช่นอายุตัวอย่างเช่นน้องทีเป็นวิทยากรแล้วออกมา โอโหได้รับคําชมมาตลอดเลยขณะเดียวกันวิทยากรคนที่สองขึ้นที่ต่อจากเราอืไม่ได้รับคําชมแต่ไม่ได้รับการตําหนิอ่ะคนที่สองเขาก็อาจจะนึกว่าทําไมนะต้องมานั่งเป็นวิทยากรคู่กับน้องทีนะไม่ก็ต้องต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่กําลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าประสบการณ์เหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะไปทํางานกับคนที่เก่งเราจะต้องไม่ทํางานคู่กันบางทีแต่ละคนเขามีอีโก้เป็นของตัวเองนะคะบางที การนิ่งเฉยอนิ่งเฉยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันต้องเป็นนะครับคือมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยแล้วยอมรับกับอะไรแบบนี้มันก็ทําให้เรามีความสุขกับตัวเองได้นะคะไม่ได้ไปทะยอยทะยานว่าต้องไปเก่งสู้กับเขาต้องแข่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้คนรักลุงหรือว่าเป็นที่รักของคนอื่นต้องทําอย่างไรเป็นตัวของเราเองได้ไหมอย่างที่บอกเนี่ยหนึ่งรักตัวเองให้เป็นก่อน แล้วก็เป็นตัวของตัวเองอย่างที่น้องทีบอกนะครแล้วที่สําคัญก็คือบางทีเราก็สามารถที่จะทําเพื่อคนอื่นได้บ้างเช่นถ้าเรารู้ว่าคนนี้คนนี้อยากได้อะไรหรือชอบทําแบบนี้ถ้ามันไม่เกินความสามารถทําให้เขาสนิทหนึ่งนะครับเขาก็จะได้รู้สึกว่าโอเคเขาก็มีความสําคัญมไม่ใช่ฉันสําคัญคนเดียว ค, คนรอบข้างก็สําคัญเหมือนกันะนะครับอ่าให้กําลังใจสําหรับคนที่คิดว่าฉันไม่มีใครรักเลยลุง คนนุ่งก็ไแม่รักคนนี้ก็ไม่รักพ่อแม่ก็รักน้องมากกว่าคือทําไมเราถึงเป็นคนที่ไม่มีใครรักหรือคนที่ถูกรักเลยลุงต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมีคนรักบ้างแหละคุณลองมองไปรอบตัวใช่รักตัวเองให้เป็นคนอื่นพอเห็นพฤติกรรมที่มันแตกต่างไปจากการที่เราเคยเคยพูดจาไม่ดีพอวันหนึ่งเราเริ่มพูดจาดีขึ้นเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้วเข้ามาชมเราอุ้ยเดี๋ยวนี้พูดจาเพราะขึ้นแล้วจ้ะ แค่นี้เราก็มีความถูกได้แล้วนะครับ <ฮะ S 1> ก่อนที่เราจะถึงขั้นว่าให้เขามารักเรามาชอบเราใครไม่รักเราก็รักตัวเราก่อน<ห>ทำนให้เราดูดีก่อน<ช>ทำให้รเราเป็นคนกิริยามมรยาทบุคลิกดีก่อน เดี๋ยวถ้าเราเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวก็มีคนมาหลงรักเราเองถูกต้องเลยครับอาจจะเป็นเพื่อนรวมงานอาจจะเป็นคนดีทํางานด้วยใช่ครับนะคะถ้าเป็นเด็กดีคุณพ่อคุณแม่ก็รักอ่ะอันนี้แน่นอนนะได้แน่นอนอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราทั้งสองคนนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะ4ี่นาฬิกาสามนาทีถึง5้านาฬิกานะคะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะลุงยืนนัทธงจูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ